หลายคนที่เคยรู้สึกว่าวันแรกๆ น, นี่มันผ่านไปอย่างเชื่องช้าๆก็คงจะพบว่าตอนนี้เวลาก็ผ่านไปเร็วขึ้นอันที่เพราะว่า <c oughs> ร่างกายและจิตใจเรานะปรับตัวได้ที่เคยนอนตื่นสายจนไม่เป็นเวลานะตอนนี้ก็จะพบว่าร่างกายมัน นะเริ่มปรับตัวเข้ากับจังหวะชีวิตของที่นี่นะตื่นตีสามตีสามครึ่งจนะ ถ, ถึงเวลาสามทุ่มสี่ทุ่มก็นะก็รู้สึก ง, ง่วงแล้วนะไอที่เคยนอนดึกหรือว่านอนตาค้างนะจนกว่ามันจะเลยเที่ยงคืนไปก็ก็เริ่มจากค่อยๆนะปรับตัวเข้ากับ จังหวะของธรรมชาติที่นี่ถ้าจากนี้ไปนะเราจะรู้สึกว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นอทิตย์แรกนี้ก็ยังผ่านไปอย่างเชื่องช้าอยู่นะสำหรับหลายคนแต่ว่าเอพอปุ๊บเดียวก็ผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วนะเพิ่ไปอีกสองสามแวกก็ออกพรรษาพอดี อันนี้เรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติคนเรานะที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆได้หลายคนทีนะ่การกินการอยู่เป็นเรื่องยากนะมาที่นี่ก็ให้ถือว่าเรามาฝึกเพื่อที่จะอยู่ง่ายกินง่าย ถึงแม้ไม่ตั้งใจฝึกนะแต่ว่ามันก็จะเป็นไปเองถ้าเราไม่ไปไปขัดขวางนะการปรับตัวของร่างกายและจิตใจหลายอย่างเนี่ยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็หมู่คณะเนี่ยมันจะค่อยๆช่วยกล่อมเกลาตัวเราเนี่ยให้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 เราจะวางใจหรือพอใจเท่านี้มันไม่ไดนะ้เพราะว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเนื่องจากสิ่งแวดล้อมหลายคนนะที่เคยติดเหล้านะจนกระทั่งไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรก็มาบวชพระเพราะว่าในใจก็รู้ดีว่าเนะี่ยถ้าไม่มาบวชนี่ก็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 บวชได้ประมาณสาอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนนะรู้สึกดีขึ้นแต่พอสึกออกไปนี่เพรากว่ากลับไปสู่อีรลอกเดิม เ, เพราะว่ากลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิมไอ้ที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิธีช่วของความเป็นพระของนักบวชเนี่ยเป็นกล่องเกา่า ให้การและใจมันกลับคืนสู่ความปกติความสมดุลคนที่เจอความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็อาจจะประมาทนะคิดว่า ฉ, ฉันดีแล้วนะฉันเอาชนะมันได้แล้วหารู้ไหมว่านะที่เราเป็นอย่างนี้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมต่างหากข่้นเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะจากสิ่งแวดล้อมนะแบบอารามนะ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 อันนี้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามน้ำมันไม่พอเราต้องลงมือหรือตั้งใจปฏิบัติ ด, ด้วยจะปล่อยให้ลอยตามน้ำอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าถ้าน้ำมันเปลี่ยนกระแสมหลายกระแเราต้องรู้จักพายเรือให้เป็นถึงเวลาน้ำเปลี่ยนกระแส นะกระแสน้ําเปลี่ยนเราก็ยังสามารถพายเรือทวนกระแสน้ําได้เมื่อ ว, วันที่นี่เนี่ยนะก็ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีเป็นโยนะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับใจเราเกิดขึ้นกับกายเราก็ดีแล้วนะแต่ว่าอย่าพอใจเท่านั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติด้วยนะการปฏิบัติที่นี่มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะนะนอกจากเรื่องซีแล้วเราก็ ให้ความสำคัญการภาวนาฝึกจิตฝึกใจศีลก็สำคัญนะแต่ส่วนใหญ่ก็ทำกันได้อ้ไอที่ทำไม่ค่อยได้นะเพราะอ้างว่ายากก็คือภาวนาอ้ที่จริงการปฏิบัติหรือภาวนานี่มันไม่ยากนะขอให้ปฏิบัติครนะูบาอาจารย์หลายท่า น, น, นก็บอกว่าไอ้ที่ยากเพราะไม่ปฏิบัติ แต่หลายคนก็พบว่าแม้ปฏิบัติแล้วก็ยังยากอยู่ที่ยากส่วนนึงก็เพราะว่ามันเป็นของใหม่อะไรก็ตามที่เป็นของใหม่เนี่ยมันยากทั้งนั้นนะสมัยที่เรายังเป็นทารกเนี่ยการเดินหรือแม้แต่การยืนใยของยากนะแต่เป็นพ่อเรานะตอนนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะนะพยายามที่ทจะลุกพยายามที่จะเดิน นะยืนแล้วมันก็ล้มแล้วก็พยายามยืนใหม่เดินแล้วมันล้มก็พยายามเดินใหม่ทำไปบ่อยๆนะมันก็กลายเป็นของง่ายนะเด็กอายุหกเจ็ดปนะีหรือน้อยกว่า น, นั้นเนี่ยก็จะรู้สึกอาการเดินปเป็นเรื่องง่ายทต่มื่อเราโตขึ้นมาอายุสามสี่ขวบ การเขียนหนังสือเป็นเรื่องยากเขียนกรไก่ขอไขา่แต่ละตัวนี่มันไม่เป็นตัวเลยนะมันโยเยนะจำตอนที่เราเป็นเด็กได้ไั้มอาตมานี่ยังจำได้เลยนะเขียนวอแหวนกับอออ่างนี่คล้ายกันเลยนะนึงไม่ออกมันแตกต่างกันยังไงแต่พอเราเขียนบ่อยๆเราก็รอวอแหวนนี่หัวมันเล็กนะ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 ไม่มีอะไรมากระทบมากชีวิตที่ราบรื่มนะแต่ชีวิตคนรานี่มันก็ไม่ได้ราบรื่มไปหมดนะมันก็จะมีอะไรที่ขุกคขักหรือว่าสิ่งที่กระทบนะให้เกิดความไม่พอใจให้เกิดความทุกขนะ์บางทีมันก็เกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าอย่างเช่นคนในเมืองนะในกรุงเทพเนี่ยนะ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 เป็นทุกข์นะอันนี้เพราะว่อะไรเพราะสติความสึกตัวนี่ที่มีอยู่เดิมนี่เอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่ยงั้นก็ต้องจาเป็นต้องมาสร้างนะสร้างกันที่นี่แหละนะไหนไหนก็มาจำพรรษาที่นี่หรือมาปฏิบัติที่นี่กนะ็จะอยู่แบบสบายๆนะเพียงเพราะไม่มีไม่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหรือเพียงเพราะว่าจะมาพักกายพักใจอันนี้มันไม่พอนะ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 ไม่ได้มุ่งควบคุมความคิดนะชนิดที่ว่ามันไม่ขุดไม่โผล่ขึ้นมาในใจเลยนะแต่ฝึกเพื่อจะให้รู้ทันนะความคิดอันีญาตให้คิดได้จิตมีสระที่จะคิดแต่ว่าขอให้มีสติรู้ทันนะขณะเดียกันเวลาทาอะไรเนี่ยก็ให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นนะนะสติก็คือว่า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 ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรและพอมีสติอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะเติ่นขึ้นมาเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำนะเก็บที่นอนก็ให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ได้สอน ให้พระเนี่ยนะมีความสึกตัวนะท่านก็สอนจนกรทั่งใกล้จะปรินิพพานนะสามเดือนสุดท้ายเนี่ยนะตอนที่พระองค์ใกล้จะปรรงอ า, อายุสังขารเนี่ยก็ยังสอนเลยนะก็ยังย้ำนะให้ภาษาว o เนี่ยนะมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง หมายความว่าอะไรแม้ว่ามีทาเป็นเกอะมีทาเป็นที่พึ่งและพวกก็อธิบายว่าเนี่ยให้เป็นอยู่ด้วยสติสัพชัญญะนะรู้กายรู้เวทนารู้เจิตรู้ธรรมความรู้สึกตัวก็ให้มันทํนะไม่ว่าจะเดินไปข้างหน้าถอยข้างหลังเดี๋ยวซ้ายแลขวานะคูหรือเหยียอวัยวะไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาก็ใทให้มีความรู้สึกตัว นะผมจีวครคลองผ้าสะพายบาตนะอันนี้สาหรับพระท้งเปนคารวาสก็ใส่เสื้อนุ่งกางเกงนะก็ให้มีความรู้สึกตัวกินดืองเคลื่อนลื่นก็ให้รู้สึกตัวนะอุจราะปัสสวาวะก็รู้สึกตัวนะยืนเดินนั่งก็ให้รู้สึกตัวหลับนะก็ทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้น พูดก็รู้สึกตัวนิ่งก็รู้สึกตัวมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่เราทำเป็นสามัญอยู่แล้วนะไม่ต้องถึงขั้นว่าบเาเพ็ญฌานให้ได้ฌานสี่ฌานแปดนะหรือว่าทำให้เกิดญาณสิบหกนะนะที่พระพเจ้าเนี่ยก็นะกชับนะาพาวิโ์ให้ทำสิ่งเหล่านี้แหละนะเพราะมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก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 ใหม่ๆก็ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะเป็นงนี้แหละแต่ว่าพอเราพอเราเริ่มปฏิบัติสิ่งที่ทําก็คือไม่ใช่ห้ามคิดแต่ว่าให้รู้ทันนะไม่อาจจะคิดไปก้าวเรื่องถึงค่อยรู้ทันอะ่ะก็ดีแล้วนะไม่ต้องเสียใจว่าทําไมมันฟุ้งซ่านอันนี้มันธรรมดาเราก็ทําไปเรื่อยๆนะทําไปเรื่อยๆทําแบบเล่นๆนะก็คือว่าไม่พยายามควบคุมจิตไม่คิดจะเอาชนะ ไอ้ความฟุ้งซ่านบางคนตั้งจิตแล้วจะเอาชนะมันให้ได้ไอ้ความฟุ้งซ่านนี่มันเป็นมานะที่มาคอยรบ ก, กวนจะต้องเอาชนะมันให้ได้อคิดแบบนี้ก็ผิดแล้วนะเพราะว่าพอคิดจะเอาชนะนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่คเครียดขึ้นมาทันทีนะวงพ่อเทียนทาก็ยนะ้ำนาทําเล่นๆ น, นะฟุ้งบ้างก็แหมเป็นไรนะ ลงบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทําไปเรื่อยๆพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือว่าที่เคยคิดตัดก้าวเรื่องรวดเดียวจบหรือว่าไม่ทันจบเนี่ยความคิดมันหดสั้นลงหดสั้นลงที่เคยเป็นขบวนรถไฟยาวเหยียดนะสิบตู้สิบห้าตู้มันก็ค่อยหดสั้นนะเหลือแค่เจ็ดแปดตู้แล้วก็หดสั้นนะเหลือแค่สองสามตู้จนกระทั่ง บางทีคิดไม่ทันจบเรื่องเลยก็รู้ทันนะนะอันนี้เอคิดเล่นๆอันนี้พอาทำเล่นๆนนะมันไม่ต้องไปควบคุมบังคับอะไรเลยนะเพียงแค่รู้เฉยๆนะรู้เฉยๆคือรู้ซื่อๆนะแล้วพอทําไปทาไปความสึกตัวก็จะทีก็จะต่อเนื่องมาคืนใจนก็จะเบานะไม่ใช่ทําด้วยหน้าดำข้ามเคร่งนะ นะถึงแม้ว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของดี <c oughs> ก็ไม่แปลว่าจะต้องทําด้วยอาการข่ําเคร่งหรือข่ําเครียดนะทําด้วยความสุขสบายสบายนะทำเล่นๆหลายคนไปคิดว่ า, วามันทําเล่นๆไม่ได้นะทำมาเป็นของสูงนะการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะจะทําเล่นๆได้อย่างไรอันนี้ก็แปลว่าเรากํลาลังทําของง่ายให้เป็นของยากนะการปฏิบัติธรรม การจระสติเนี่ยนะจะว่าไปมันก็เป็นวิธีแห่งความสุขนะคือถ้าเราทําเป็นเนี่ยมันก็สุขมันไม่เครียดมันไม่ทุกข์มันจะฟุ้งซ่านยังไงใจก็ไม่ทุกข์นะก็ยอมรับความเป็นจริงว่าพอใจเราเป็นอย่างนี้นะมันจะพลัง้งมันจะพลาดมันจะเปิดไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่ทําด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส หลายคนไม่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับนวการปฏิบัติธรรมมันจะทำหน้ายืนยั้งจันทร์สายเรื่องไรมันต้องเครียดมันต้องเคร่งอันนี้มันก็จะกระเดียดไปทางทรมานตนแล้วนะมันใกล้เคียงการทรมานตนนะก็คือทําตนให้ลําบากถ้านาะง ท, ที่มันไม่จำเป็นต้องลําบากอย่างนั้นนะวิธีของพระตัว เ, เจ้าเนี่ยเป็นวิธีแห่งความสุขนะ โดยมีจุดหมายคือความสุขอันนี้นะต่างจากความคิดหรือความเข้าใจนะของอคนสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยโดยพ่อพวกนิครณเนี่ยนิครณเนี่ยก็คือพวกเชนหรือพวกที่รวมทั้งพวกโยคีนะกที่เขาเชื่อในเรื่องการมันเป็นทุกขละกิริยา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 ต้องใช้ความทุกเป็นวิธีทางในการเข้าถึงความสุขผู้เจตตัดตรงข้ามว่านะความสุขเนี่ยบุคคลจะเข้าถึงได้ต้องอาศัยวิธีแห่งความสุขนะนะคราวหนึ่งพระองค์เนี่ยก็เคยนะแสะด็จแปสนทนากับนิครณ น, นาตบุตรนะก็คือศาสตามหาวีระสมัยก่อนเนี่ยแม่จรัติแม่จะมีความเห็นต่างกันนะ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 ยอมกันไม่ได้แต่คนสมัยก่อนนี่นะเขาคิดต่างกันเขาก็ไม่ถือว่าเป็นศัตรูก็สนทนาการแลกเปลี่ยนความเห็นกันข้าหลวงพุทธเจ้า ก, ก็ไปสนทนากับนิครณนักตบุตรก็สนทนาเรื่องนี้แหละนะนิครณนักตบุตรบอกว่าความสุขจะถึงได้ต้องต้องใช้ความทุกข์พุทธเจ้าตัดว่าเนี่ยความสุขมันจะเข้าถึงได้ต้องอาศัยความสุข น, นีครนาตบุตเลยบอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไรนะถ้าเป็นอย่างที่พูดเจ้าว่าคือจะเข้าจะถึงบรรลุถึงความสุขได้ต้องอาศัยความสุขเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็ต้องมีความสุขกับผูดเจ้าเพราะว่ามีทรัพย์สมบัติมีความสะดุกสบายมากมายอาหารการกินนะก็มีคนเอามา เอามาให้นะไม่ต้องเดินมีธาบาลอย่างผู้เจ้าเสื้อผ้าก็มีที่ประนีตนะมีสิ่งอำนวยควนเปะดนะให้เกิดความสุขมากมายแต่ผู้เจ้าแย้งว่าท่านรู้ได้อย่างไรนะว่าพระเจ้าพิพิสานเนี่ยมีความสุขมากกว่าเรานะพระองค์ก็ถามอันนี้พระน้าตบุตรว่านี่ ท่านคิดว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะจะสามารถอยู่นิ่งๆไม่พูดไม่คุยนะเจ็ดวันได้ั้ยไม่พูดไม่คุยแล้วมีความสุขด้วยนะนี่คนตะตุบอกว่าทําไม่ได้หรอกเอางั้นลดเป็นหกวันก็ยังไม่ได้ลดจากห้าเป็นสี่เป็นสามสองหนึ่งแม้เพียงหนึ่งวันพระเจ้าพิมพิสารก็คงทําไม่ได้หรอกแต่พระเจ้าตาว่าพระองค์ทำได้นะ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 มันคิดเ็าคิดไปในะแต่ใจนะไม่เป็นธาตุหรือถูกมันครอบงำอันนี้เพราะอะไรเพราะเราเห็ น, นเห็นไม่กรไปเป็ น, ปนหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ย้ำอยู่เสมอแม้แต่เวลาปวดนะปวดขานะเมื่อยขาอันนี้คือทุกขเวทนามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าถ้าเรา เห็นมันนะใจไม่ทุกข์นะใจก็ยังสงบได้กายปวดไปใจสงบแต่ที่ใจพุ่งคุมพลานว้าวนะุ่นเนี่ยนะหดยิบเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะว่าเข้าไปเป็นนะมันไม่ใช่แก้กายปวดมันแต่เข้าไปเป็นผู้ปวดอันนี้อนนี้เพราะไม่เห็นมันไม่เห็นความปวดนะอันนี้เป็นวิถีแห่งความสุขนะซึ่งนะ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 จิตสติไม่ไวพอนะที่จะไปรู้ทันความคิดนะมันก็ให้ให้รู้กายไปก่อนนะให้รู้สึกไปก่อนนะรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรนะทาไปเล่นๆแต่ว่าทาไม่หยุดนะยิ้มแย้นแจ่มใสนะอย่าไปคิดว่ามันต้องทุกนะมันถึงจะประสบความสำเร็จนะคือพ้นทุกนะมันไม่จงเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้นะทำด้วยใจที่ปลอดโปรง่งเบาสบาย มันก็สามารถจ ะ, ะพาเราเข้าสู่ความ้นทุกข์ได้แม้เส้นทางมันจะไกลนะแต่ว่ามันก็เป็นทางตรงนะที่จะหาให้เราได้เข้าถึงจุดหมายการปฏิบัติอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยความสุขนะมันจะเข้าถึงได้ต้องอาศัยความสุขและการจริญสตินั่นแหละก็คือวิเทียนความสุข อาคำนี้ก็เหมือนท่านี้นะครับ